เองเลยแลต่งคพูดด uh, uh, uh, ่ตแต่นแตู่ินมีาปยนเอและคนอื่นเขงขอขออีกสาาอางอื่นอื่ เดยแม่สอนสอนตสอนเหตุผานี like ่สัญลักษณ์ี่ความนั้นเป็นจะยย่ำจเดือความความเดติดข้อใจความซาลังใสเข้าใจความบริสุทธิ์ข้อใจหาเหื่อยสำลักาสางจะไปพูส่งนี้พูสิ่งนี้ตาเห่อยอย่างนี้เราเรนองนี้ ใจจิตใจเครื่องเตือนติดใจจำหนึบลมดีลมเด่นขนานนแต่ใจเหวน่ยงแต่ใจจำในใจมันเป็นใบแสงเหรอนอดหรือหนอดเอวิญญาณขนาดไหนแต่ห้วใจมันจะงดใจเหวี่ยงใจมันใปเต๋อใจมันหมดที่เดียวจำเหรอต้องกาเงินเท่าติดจะหมดไดนอดจากเราจะจำหนดดูจิตใจของเราติดจำตัว ยิงเหียบตัวพันติด ข, ของกับอะไรทำามมังถึงไปหลง ย, ยึดถือในใจครือตามติ่งอย่างนั้นคงเป็นควงวารหนึนลลนะ่งมันเป็นนิจจังว่าจะเป็นอันนิจจังเหนือจิตเหยียบของเหยยบพันยึดถือมันเปิดจิตมันเปิดทุกติ่งอย่าง น, น, น, นั้นเรายึดมั่นขนาดห เงินจะเป็นขอเราตลอดไปหรือไม่หรือมันจะเป็นไปตามฐานะหนาสี่เท่านั้นเหยียวเาเงนตาเราอยู่ในควางนครับบัญชาคนใส่ยึกลางยึดเสนี่มวนจะเป็นายตามหนี่เท่านัินหยิบยืมเงิอบจิตทำงาใจเคยก่มใสเคยสะอาดหายจากความรุ่มหยงยึดถือต่าง กทำสตพระเจ้ายังเป็นารทำที unity, ่มีคุณค่าสาราสูตรเกิดปฏิบัติได้มีความสุขความสบาเถึนแต่จากในจิตในใจทั้งตนถึงจะอดอยากยากจนขรอบครองเงินพองในเมืองไทยยันเรเส้นยันยาในเมืองไทแต่ตาเมือาแต่ทั้งสัมฤทธิ์ใจ พระท่นล่าใจท่องท่านสะอาดใจท่องท่านบริสุทธิ์เรียนจำที่เราผู้เทำเมื่อเก่าก่อนเราจึงไม่มีลาภเมื่อตเราจึงไม่มีขอกันเงินทเหมือนคนอื่นเขาแต่เราจำมัเสียใจอะไรสิ่งที่ราทำอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบัน เิดจใ่องใสจิตใจบริสุความยากในจิตในใจจิดจะเป็นความสุดดย่เลื่อนงอนเป็นเหมือนไวุ่รคุณบเพ็จิต่องใสบเพจิตบริสุทธิ์านอยู่สวขบายในสถานที่ต่างๆหรือท่านจะอดยาชาจนกจิตใจเท่าเท ในอดในเช่นอะไรนี่ประจัญใจสว่างสบายสงสสะอาดตลอดระยะเวลานี่ทำสอนของไิทยาศาสตร์อีกเยอะเลยจากจิตตปฏิโยธาการสอนคำนองนี้แล้วก็สอนพวกเราอืูยังเงี้ยเงเต่าสุนสอนพวกเราอืู่ยังปวดบอดเต่หมอให้สมน์จิตใจของปลุก หนอจากความเศร้าหมองหนีหนจากความโศกโหนีหนีจากความโมโกหนีเผื่อความสว่างสบายหนจิตใจใสสะอาดนจิตใจบริสุทธิ์เมืสอนคนจิตบริสุทธิ์แล้วเหมืนคนี่ไหนเจ็บเจบอะไรยามันจำเป็นอะไรคือจะนามารักษาคนไข้คนเจ็บ คนป่วยอนนั้นยาจึงจำเป็นติดแม่รักษาโรคไข่ไข้เกี่ยวตินั้นนั่นหายไปความทำสองของพระพุทธเจ้าจดจำนั้นพวกเราท่านทียังมีกิเลสตัณหาติดแม่เจท่าข้มามเจมนาประพฤปฏิบัติเสมอ่ายกายใจใจ ต, ตัวสะอาด ห, หมดจบหมดกิเล สองคอ น, นทำสองไปทนอยเ็แนแบบอคนอื่นเราจะมีขี้เหลวตันหาน่ค่ยอยู่นี้แหละจึงจำเปน็นกับอย่างธรรมะก็ควรี่มีผู้เหลวตันหานี่ควรนำธรรมะมาตรดับการจางธรรมะความสดปร่งสะอาดออกก่อนถ้ามันะอาดนาะมันจะไ่มีอะไร แต่นั้นตบพาการมีปีการมานธรรมะของพระพุทธเจ้าพาไปประดับใจราใจใจงเกลียวใครนอนไปต่วที่ปฏิบัติควรนั่งกาจะเกิขดของประโยชน์มี จ, จ, มม จ, จิตใจสงบมีจิตใจตุกมีจิตใจสว่างไสวสมีจิตใจสะอาดนี่เป็นมันสำคัญส4พระพุทธเจา้าใส่ใส่เอ้ว สาชิโมวันเปียนสามเปนีลยนนะครับดูทานพวกเรากฏบัติธรรมสักการะโดยบอกว่าที่เปียนต่าได้ของกายต่อแต่ความดูทานรจายคาสุลแต่ช้าเสียมนทางจิตใจแตเนินละเล็กเล็กถึงคุณของคุณต้องแน่จากนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือวันของ อาเป็นลมเยนสามเป็นเหมือนกันคือเราเพิ่จ่าท่านเด็กเจงอายุสั้นๆเราจากดังนี้ไปอยู่สามเดือนข้างหน้าเราจะหาว่าเจ้าริมิพานพือทางซ้าเรื่องมน่อดังปริมิพานมันตายทั้งท่านในเหมือนเราคืมีตาหน้ามีแต่ตานึ่ง ถ้าเราแบบทำใจะมาถึงวันใดเราจะล่งไหลเมเนกันเรื่อยไปอยู่ท่านจิตใจตับริสุทธิ์แล้วม่มีอะไรติดจะจะติดจะบังค็จิตใจบริสุทธิ์จิตใจสะอาดจิตใจโปร่งใสจิตใจเต็มมอ ก็ดีในทางก็รเจริบานปิดควารสุขสงบสุเใจตื่ตืมีความรู้ความฉลาดทำประโยชน์แก่โลกมหาศาลในเมี่อใครี่หนจะเหนือเขาก็ใต้ใจไดสการทำประโยชน์แก่โลกและสอนบุคคลอิจฉควละสอนาะได้จิตเง้นค้าราชาอาหา การสอนของท่านอุตสาห์พยายามสอนให้รู้จักประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ชาตหน้าประโยชน์ยามยุคอุตสอาห์สอนมาใน45พรรษาจึงจากลาจากโลกบปสู่การิณิพ <N> ันเรื่องชาติหนเวลาพื่อไปสอนรู้จักเรากว่าเมื่อวัน มันได้มันเสื่อมชินมาได้มันก็แตกสลายทั้งนั้นซันไม่ีใครที่จะมีอำนาจราดสักบังคับบังชาถึงจะมีธรรมะเนือเ่งนี้ก็้องคับมันเม่ได้หรือจงหรือจังหนือจังอำนาตามันเหนื่อยมันมหนื่อยรานืก็เรามันบังคับเได้ถึงโอกาสเวลามันจะแตกสลายก็แตกสลายทั้นั้นไปแต่ก่อนอื่น ตีวกายของเราจะแตกลงไปคือมีตำยาทนทำชีวิตหลางตายอันนี้จะมีคุณค่าใเต็นหนันอะไรติเกันเป็นสารประโยชน์ทำอะไรทต่ทำจำเป็นเอาไว้ตัวกายแตดสรายปสียเสียง อยตักอย่ตีคุณตีทำาไว้มันไม่เสลายใจยกตัวอย่าง ท, ทร่พุกกออจ้าจต่ ง, ตางสองทางา่านหาไว้ต่อปีหนึ่งคุณทำดีต้องานตีทำโดยทํเอาไว้แต่ใจขอการลเสริมทำดีตีททำาไว้ทำไม่เด็ดแกหนอไปตีหน่อยแยกท่านสอนเอว้เนื้อเอาไว้ท่านจเลย พราผูกหักํางทำสองาแล้วก็มาเด็กกำหนดว่าเราจะวู้วิธีทำแต่วะคนทำาุ่งไม่เป็นยุ่งคนทำด่าไม่เป็นด่าทำเหนือยสองด่างนั้นทำสองต้องทำเป็นเป็นอาการนิดตัวมมีการมีเสมอใครปฏิบัติการทำสองต้องทันดังมีโอกาสเดรัจที่จะทำไปตัดมีเหตุการณ์หาโคิกโค้หรือมึนจะเกิด ในฉากต่อไปอยากจะมีความสิดงงใจทางใจจะอยากจะรับเรื่องงานต่างๆความแสบอะไรหมดแต่นั้นติดอยู่ที่การคำต่อต่าวคำสอนขอเพระไตรปิฎกอย่าลืมมือแบบปฏิบัติตามคนนั้นไม่ผิดหวังมีความติดมีความสบายคุ้มความเสี่ย เรียมได้อยู่นะแต่สงสารความดังํานลัมบะเพราะเราทำควาดีเไว้ความดีจะเป็นผลเป็นอะไรต่อไปเราพบข็งหนักแงหนล้วเยความตันความแขงเพื่อต้านความตันเป็เหตุปัญหาของเราเราจะติดหลังเรื่อยไปเพอาะเราเพลาะเร่ทราบจะอะไรจะให้คุณโทษยักษ์หนา ต่อตอร์พองตุ๋นคำสองค้วาต้าเป็นเหมืตะขีสหรับคนเราเข้าถูงตูมือหากมีตะขีเดียงไปเป็นเกือบสอทางแล้วก็อาจจะลำบากยากจึ้หนื่อยห่ายอยาจะเดินลิ้มเดินเบาเดินหลังเดินตเหยุดขวบหยุดน้ำผึ้ง มันจะเป็นอย่างไรวางหลักตาเดินดูไป้มนจะไปเดินอะไรคนขี่มีตาเหมเออยาไรับเดินน่นหาเป็นตัคนตคมีแเดินแหงดาวหรือมีรงนแล้วนันเนเงอนไปจะถอนตได้ มันหลับมันตาตองยิ้มตองบอกเร้เองเหยียอ้ซาลาพิษมันเป็นตัวหน่ะคนตาดีแต่ห่้ามันเลือดมันจะเป็นอย่างนั้นนี่ความร้อนของคน ปกติบ้านก็ประอาสัยความเน่าสีความเน่าสอนอายุเป็นความควียมควรเราไม่เปความปานีเสนยเงเป็นธรมาหน้อเวลาเมื่างใจมันเบิกบานใจมันแข็ใสพเราเดทำใถูกต้งดมการลักษาใจราจะจเป็นเมตสีนมนุษ okay. ย์เราจะรักษา ในเวลาคนอื่นก็จะรักษาเราไรบ้างเรารักษาตาเราจาเราติสต่างสิ้นเรากระมด็นไบตันเหลือลิ้นหัวตัวเขาเราเิดโมพวนใบขาดใบมีนิเจีรข้างเราก็จะกองใส่อย่างเงียบๆขยับเยียอเมืมนมอนทำมันนับตอน วิชาการเงของกเราเพราะเราไม่ต่อตัานทำช่อเอาไว้ยิ่งเวลารมีลูกกับเด็น้เราก็พูดหน่อยๆ่อหงห่อยขวัดหน่อยแต่เดินเดือดเือดความดูจะเราบอกพูดเอาไว้ถูกต้องตั้งใจสอนสอเราต้จะได้แต่สอนดี วันโลกนะอกิดจากต่างตะวันที่ดูปิดอ่ะดิดเท่านะวลาอยู่ต่โลกตอนี้ตางโลกเกีเรื่องที่เท่นะความเมตตาของเราจะได้เท่านะเท่าเดิมเท่าเดิมเร่จใจของเราจะต้องใส่เาสอาดมันไม่ติดเหมือนไม่จิตติดจิตได้ติดแล้ว ใจใเราอกหลัากผ่านเท่าไรจะมีได้ไหมความรู้นั้นใส่ใจเลยเนาะทำรายได้ิของตัวแต่เงินดันรู้จะนตานทากูนี่าศตรเป็นก่่นเป็นงาาดูช่างเราคุกเข็นแตาติจันเนารูช่างแบบมก็ถูกเปียนเปลี่ยนเพียนจันหรือไปเป็นยินเป็นตุ๋ นอกจากนั้นตามระดับราชสำนักอำเ็งพระพุทธเจ้าก็เป็นวินเปิเปิดเป็นอันหนึ่งอันหรึ่งตามธรรมะแต่ละธรรมะธรรกะแต่้อคือการทางของพุทธเจ้าของผู้เปิดวินเปิดเจิดนเปิเ็นประโยชน์นอกจากนั้นตั้มาอยู่เร่องตัน ในวัเมื่อเรากะดับแสงเงาตาลาจาใจเคตืองเปลือรักษาเจิตใจหยิ่งจิุนแรง่เรืองเเสียอะไรเปือเราทำาใจเปือเราท้มดวงจเตาลาจารใจเราแบบแต่ทมันเฉวๆในปีนึหนึ่งเลาทุทรมานท่เวเราเป็นลมออกดีใจ ในการกระทำมันเป็นที่เป็นเพราะทำชีวิตมหนจะเป็นหนึ่งจะตั้งหน้าทาบุญทำดีเป็นตามเันตามเวลาที่สำคนญเป็นการเป็นเสมอแต่เรื่อขอคุท่านเงนันธรรมะใส่ินิจเ่ามาธรรมะาจเราใจใจทั้งตัวละเสี้ยบำเพ็ดีเหตุิลคูณขึ้น